กาทกันตามการตามเวลาเป็นมงคลในสูงสุดผู้ไม่เคยได้ฟังอาจจะได้เคยฟังฟังแล้วยังไม่เข้าใจอาจจะเข้าใจสิงที่สงสัยอาจจะหายไปหมดไปความเห็นให้ถูกต้องเกิดขึ้นขณะที่ เราศึกษาทำบังทำกันปฏิบัติทำกันมีหลักใจสร้างหลักใจเป็นของส่วนตัวตั้งหลักฐานทางกายเป็นของส่วนรวมไม่ใช่ของเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปสร้างทำาไอยทำนาสร้างบ้านสร้างเรือนทุ่งเทจนหมดเที่อวหมดแรง ก็ได้สร้างบ้านก็ได้บ้านถางนาถางป่าก็ได้นาทำมาหากินเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นของคนอื่นแต่ก่อนก็เป็นของพ่อของแม่เดี๋ยวนี้ก็เป็นของลูกของพ่อของแม่เดี๋ยวนี้เป็นของหลานเลนทึ่งไม่ใช่ตระกูลเราเลย เป็นหลานเขยหลานไพ่เป็นของหลานไพ่หลานเขยไปแล้วเราไปบ้านไปเรือนไม่กล้าที่จะไปนั่งอยู่บ้านเราทำเองเรือนเราสร้างเองเป็นของหลานเขยหลานเขยไม่ใช่หลานเราเป็นคนอื่นเราจะขอไหไรจะขอไงได้เพราะไม่ใช่ญาติไปขอ อาหารวิธาบาตกับหลานเขยไม่ได้ผิดวิานายัยแต่ขออาหารวิธาบาตจากหลานไพ่ลูกไพ่ไม่ได้เลยผิดวิานายัยไม่ใช่ลูกของเรามันก็เป็นอย่างนี้นั้นเปลี่ยนเจ้าของไปอันนั้นเป็นหลักฐานทางกายไม่มีใครเป็นเจ้าของเราจะเหตุปัจจัยมันเป็นไปทางไหน นาที่เราเคยสอบเคยเ่าไม่ใช่ของเราไปแล้วเป็นของคนอื่นไปแล้วเราจะไปดูไม่ได้ถ้าเรามาให้เราไปที่ที่เป็นของคนอื่นตอานหมอสร้างหลักใจเนี่ยมันของเราไม่มีใครมาแย่งเอาไปเปลี่ยนเจ้าของไม่ได้เป็นของใครของเราเรามี ทำเราก็เป็นของเราเรามีศินก็เป็นของเราเราก็พึ่งพาเสียได้ทุกกุลานาทีหลักกายนั่นพึ่งไม่ได้แล้วตกไปเป็นของคนอื่นไปแล้วก็เราจึงอย่าให้พลาดในหลักใจหลักใจคือปฏิบัติธรรมร่างไม่เสียทั่วไม่เสียหลักของกายมีเสียบ้าง แรงเสียท่วมเสียโจรลักไปได้ไปไม่ได้น้ำท่วมได้ลมพัดเสียหายได้แต่หลักใจไม่มีเสียเป็นอมตะเป็นของส่วนตัวเราดึงไปต้องมีทรัพย์ในก้อนนี้เรียกว่าอาเรียทรัพย์ไปทรัพย์ส่วนตัวของเราอย่าให้จนอย่าไปอ้างเอาหลัก ไทยต้องออกมาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตจนเกินไปเหมือนโบราณท่านว่ากาจินช่างโบราณท่านว่ากาจินช่างอย่างนางวดท่าหอนกาหลงหลอนตัวเองว่าแสบลุ้ยเหลือล้นกาเห็นส้างร้อยมาบะเคยจวบนกกิ๊กเสวอแล้วสักถ่วงกาเงยใบหยักฟังกาหลงสร้างกาจินช้างกาเห็นส้าง ตหลวงวัดวงวงสวงศพกินเนื้น้อยตาหลงหลืมกินไปวุวนเหตุหวมหลงหงวงโง่โทสอนบาปกราบนำต่องก็เห็นสร่างตัหลว ง, ง, งัตทงวงสวงศพกินเนื้น้อยชิดายจ่อยกลางทะเลเวลาท่าน่าฮ <c oughs> กม่รูปม่มีเมียกม่ผัวกูไมบสมบัต วตายอึดวยากชวนไปปฏิบัติธรรมนะไปวไทยให้โรกไม่หลานไม่ไม่ผ่าเยนเผ่ซานม่ผู้หดู เ, ดเลหงนกกิกแสยชวชวนไปวัดนกกิกนกกิกคือชวนไปปฏิบัติธรรมกันเถอะอย่าหลงมากเกินไปก่าเยอก่าเยอเลย บอกว่านี่แหละคือของเราไม่ก่ายเย้ยไม่อยากฟังชวนไปปฏิบัติธรรมชวนไปรักษาศีลไปไม่ได้ก่ายเย้ยไม่อยากฟังหลงอยู่ในรูปในรสในกลิ่นในเสียงทรัพย์สมบัติทรัพย์ ช, ชินสะดึงคาเฉยเลยรู้ไหมว่าจริงล้วนั้น มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรากาตัวช้างตัวใหญ่ก็ตามมันไหลมากาก็บอกว่ า, วากินไม่หมดงอยอยู่บนซ่าของช้างนั่นแต่ซ่าของช้างนั้นมลอยอยู่ในน้ํามันไม่อยู่นิ่งมันไปเรื่อยอันศพย์สินสะดึงคารมันไปเรื่อยกาก็งอยกินอยู่บน ซาของช้างนั้นมันก็พาไหลไปกินไปกินไปจะเห็นช้างตัวหลวงไม่ต้องวงเลยกินไปอย่างนี้แล้วกินไปอย่างนี้แหละไม่หมดไม่หมดไม่อยากในที่สุดช้างก็ไหลไปไฉไปไหลไปไกลฝั่งไกลที่ไกลอะไรไปไ ม, ไม่ไม่มีอะไรแล้วไหลไปผลที่สุดซาของช้างมันก็เปื่อยก็เน่าก็หมดอย ช้างก็จมลงกลังทันเละทันเลคือไม่ทัเลมหาสมุทรไม่มีฝั่งก็บินขึ้นฝั่งบินไม่ขึ้นเลยไม่รู้าทางไหนคือฝั่งหวนยันยจมลงไปในกับช้างด้วยเป็นทุกข์เพราะหลงก็ ว, ว่าขึ้นฝั่งไม่ได้เลยก็หลงหลิ่นกินไปไม่ทวนเหตุ หลงสร่างตัวหลวงไม่ต้องห่วงสวงทิบ ก, กินเล่นน้อยจะตายจ้อยกลางทะเลตายกลางทะเลนหลงทิศหลงทางไปไหนไม่ได้เลยจอมอยู่ในความสุขความทุกข์จอมอยู่ในความรักความชังจอมอยู่ในความพอใจไม่พอใจนั่นไม่ใช่ที่อยู่ของชีวิตเราชีวิตเราต้องไม่หมีนเป็นอะไรขึ้นฟังได้แล้วนี่คือหลักใจ ไม่ใช่คนเราเรื่องไม่ใช่ใครของใครของมันทำให้กันไม่ได้เราจึงต้องขวนขวยกันบ้างศึกษาปฏิบัติกันบ้างมีสติรู้สึกตระลึกได้การใช้ชีวิตของเราให้เห็นผิดเห็นถูกอย่าเป็นผู้ผิ ด, ผ, ดผู้ถูกมันมาให้เราเห็นมัน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 กูน้ำลายพิบตาเคลื่อนไหวยืดเดินนั่งนอนเป็นเจ้าบ้านมาแต่เดิมอยื่อมาเป็นทุกข์ให้เห็นแจ้งทุกบางอย่างมันจรมาอาขันตุกะบางอย่างมันมาใช่เราปวดหนักปวดเบานอนอยู่ก็ต้องได้ลูกไม่มีใครเป็นใหญ่ได้กูไม่ถ่ายกูไม่เบากูไม่กินข้าว ไม่ได้มันต้องรับใช้เขาวันเทาไปตามสภาพทุกตั้นทุกวางอย่างมันจรมาก็าเราก็เห็นเช่นคันตุกะทุกคือความโกรธความโลภความหลงความรักความชังมันจรมามาใช่ากายเรามาใช่ใจเราแล้วเราไม่รู้มันก็รับใช้มันมันก็เป็นใหญ่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 อ๋อบันเทาไปตามสภาพทุกข์นี่คือเหตุคือปัจจัยที่เราไปเกี่ยวข้องการศึกษาทำหาหลักใจต้องรู้เรื่องนี้ชัดเจนแม่นยาไม่เสียเวลาผ่านได้เลยเนี้ยมีสตนะิเป็นทางผ่านเป็นทางมักเป็นทางเอกเอกอมักโขวิสุทธิยาเห็นกันทุกคนมีกันทุกคนมีภารกันทุกคน บางผู้บางคนก็ศึกษาจนวางลงแล้วแต่ก่อนเคยหนักเคยยึดเคยถือเดี๋ยวนี้ก็วางลงเหมือนพระเรียเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วไม่หยิบเอาของหนักอันเดินขึ้นมาอีกแล้วไม่หยิบเอาความแล้วความชังความพอใจความไม่พอใจเอามาจิบแล้วไม่เลิศใช้มันอีกแล้วถอนออกเลยแล้วเหนือแล้ว นี่แล้วว่าอย่างนี้ไม่มีใครให้กันได้เป็นของส่วนตัวต้องหัดตนฝึกตนสอนตนเราก็มาปฏิบัติธรรมนี่ก็เห็นเรื่องนี้เห็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นเกิดกายกับใจเรานี้ไม่ใช่เห็นอันอื่นเราจะให้ความทุกข์เราจะรับใช่ความทุกข์ความหลงความโกรธความรักความชังมันไม่มั่นคง มันก็พึ่งเราไม่ได้พึ่งกันก็ไม่ได้เราจงมาปฏิบัติธรรมกันเมื่อรู้เรื่องนี้ก็เป็นคนเดียวกันได้แล้วก็เป็นหลักใจหลักใจอันนี้นะ่ะไม่มีชนแค่ไขเปลี่ยนได้เหนือ ก, การเกิดเจรเจิดตายได้อันหลักกายนี่แก้ไม่ได้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 ได้เราจึงต้องจำเป็นปฏิบัติธรรมเรามีพ่อมีแม่พ่อมแม่ก็มีลูกเวทเท่าเรามีผัวเมียเรามีญาต์ก็ต้องปฏิบัติธรรมต่อกันเพื่ออยู่ด้วยความสงบล่มงเย็นน่นเนี่ยเราจึงต้องศึกษาบ้างในกายในใจเรานี่บางทีอาศัยสิ่งแวดล้อมช่วยติวิเวก เป็นสถานที่ตอบปัญหาชีวิตได้วิเวกนี่ก็มีกายย ว, วิเวกสงังขกายปลอดจากเครื่องรบกวนด้ว่ากายวิเวกเรายินดีในที่สงัดหรือไม่หรือเพิดเพลินอยู่ตลอดเวลาเพิชเถิงอยู่ที่ใดไปที่นั่นตีฉี่ตเป่าที่ไหนไปที่นั่น เก็งอยู่ที่ไหนไปที่นั่นลำอยู่ที่ไหนไปที่นั่นนึกว่าเพลิดเพลินหลงก็ต้องปริวิเวกบ้างชะงัดกายเวลาชะงักกายมันก็ไปถึงจิตชะงัดจิตได้เด็กเด่นถ้าไม่มีที่ไปก็ไปที่สุกโตเนี่ยสถานที่ต้อนรับไว เป็นประเทศไทยมีวัดว่าล า, า ม, มีพระสงฆ์มีผู้ดูแลเป็นพานโรงบ้างเป็นกรรมกรบ้างเป็นอาจารย์บ้างอยู่ที่นี่ไม่ต้องห่วงเชิญไปเชิญไปเชิญมาเชิญว่าเมื่อมันสงัดกายสงัดใจมันก็เป็นอุปทิวิเวกมันก็สิ้นใบโตกปัญหาได้ทั้งหมดที่บอกอุปทิวิเวก คุนเพละได้เหมือนกับเราฝึกช่างเหมือนควนช่างฝึกช่างต้องไปฝึกในป่าให้ได้ยินแต่เสียงควรช่างกับเจ้าของชาง้างเรียกควรช้างพูดกันไ่บ่อยถ้ามันทำผิดก็ด่ามันถ้ามันทำถูกก็เออเออเมื่อมันได้ยินคำพูดบ่อยๆของควนช้าง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 ก็มีสวนมะพร้าวพระที่นั่นมีวัดเป็นสวนมะพร้าวมีลิงเขาเลี้ยงดีงไว้ขึ้นมะพร้าวเวลาลีงขึ้นมะพร้าวพระที่นั่นก็ไปพาลิงขึ้นมะพร้าวมาให้มาสู่กันฉันอาป้าน้าหอมน้าหวานเจ้าของพระที่นั่นก็บอกวันเอาลูกขนาดไหนเจ้าลูกแก่พระก็บอกลิงเจ้าลูกหวานกลาง พระก็บอกเริงเจ้าลูกอ่อนพระก็บอกเริงที่นี่เราไปยืนดูอยู่เราพูดหลายคนคนนั่งก็พูดคนนี้ก็พูดมันสับสนเราฟังเสียงคนเด่นมันมันโกรธมันโกรธเราไม่พอใจเจ้าของก็บอกว่ามันสับสนอย่าพูดหลายคนให้ผมพูดคนเดียวเริงตัวนั้นก็ทำงานได้ดีถ้าพูดกันหลายคนเน่ะ แล้วก็สับสนได้เพราะมันไม่คุ้นเคยต่อเสียงคนอื่นอันนี้ลิงมันก็ได้ยินเหมือนกันมันรู้จักเหมือนกันอันนั้นเขาฝึกแล้วต้องตัวตัวตัวงาเราฝึกตัวเองก็หวานกันบางทีน่าจะรู้ก็ไม่รู้มันหลงไปเสียแล้วจริงเวรรอมมาค่อยดีพลาดไปเสียแล้วถ้าเราอยู่ในกลายวิเวกสงบปล่อย จิตตวิเวกสงบจิตมีสติเห็นกายในกายมีสติเห็นเวทนาตามไปตามไปมันก็แจ้งชัดขึ้นแล้วก็ตอบได้รู้ได้รู้แล้วเห็นแล้วเห็นชัดเจนไม่มีอะไรปิดบังอพางตัวต่อตัวตัวรู้ตัวตัวหลงเวลาหลงก็รู้ทันทีไม่มีอะไรที่ไปมากบเกือนความหลง เราทุกข์ก็รู้ทันทีไม่มีอะไรมากบเกลื่อนความทุกข์เราอยู่ในที่มีเวกมันก็กบเกลือนอะไรต่างๆเราพยายามจะให้ ม, มันสงบมีสิ่งที่มาไม่ให้สงบก็มีเราเลยต้องอาใส่สถานที่บ้างอย่างช่างเนี่ยไปอยู่ในโรงช่างช่างเขาฝาหลาชาโรงช้างก็ไกลวังไปหน่อย มันเป็นที่โปรดออกจากเมืองไปแต่เวลานั้นโจรไปพ้นไปพ้นมามาแบ่งทรัพย์กันที่ใกล้โรงช่างพวกโจรพ้นได้มาก็มาแบ่งกันกาพูดกันว่ากูเป็นคนฆ่ากูเป็นคนแทงกูเป็นคนยิงกูต้องเอามากกว่ามึงมึงไม่ได้ทำอะไรมีแต่ได้ยินแต่เสียงฆ่าเสียงแทง ยังเหยียบมันโจรก็พูดดีไม่เป็นไม่แต่ข้าเรื่องแทงเรื่องเหยียบเรื่องทําให้ตายช่างศึกพระราชาได้ยินแต่เสียงพูดของโจรผู้ร้ายก็กลายเป็นช่างดูร้ายไปเลยผล ช, ช่างจะไปเอามาใช้มันก็ฆ่าวนช่างกูฆ่ามึงกูแทงมึงกูเหยียบมึงเป็นใครไปก็แทงก็ฆ่าก็เหยียบวนช่างตายไปหลายคน นกักบวชทูลพระลอยชาลอยชาก็แก้ไขไม่ได้ก็เลยสั่งให้เพชฌฆาตประหารชีวิตเลยประหารชีวิตช่างตัว น, นั้นที่นี่มีพวนช่างเก่าแจรขออภัยโทษไว้อันนี้พระสูตรนะไม่ใช่พู้เรียนนะพระสูตรตัดไปอย่างนี้พวนช่างเก่าแจ่ก็มาขออภัยโทษจะเพิ่งประหารชีวิตเธอพระเจ้าค้า ให้ข้าวไหวเจ้าดูแลสักหน่อยควช่างแจกร่างก็ไปสังเกตสิ่งเวดล้อมมันเกิดไหลขึ้นที่นี่ช่างศึกแท้ทําไมจึงดูไลเคยทรงขี่เข้าในสงครามเป็นช่างรบชนะมหาหลายสงครามแล้วทําไมมาดูไลยอย่างนี้มันต้องมีเหตุมีปัจจัยควรช่างแจก็ไปศึกษ า, าสิ่งเวรล้อมดู กางวันก็ค่อยๆปล่อยกลางคืนก็ค่อยๆปไปเห็นเรื่องนี้เลยเห็นเรื่องที่โจรไปปุน้นระมาฆ่ากันวางแผนด้วยเมื่อปุน้นสําเร็จลกมาแบ่งทรัพย์กันได้เงินได้ทองมาก็แบ่งทรัพย์กันพูดกันแต่เรื่องฆ่าเรื่องตําลอย่วนช่างแก่ก็ได้เหตุนั้นเป็นเพราะเรื่องนี้ ที่มักรทูลพระาชาให้ทหารหารทั้งหลายไปลอบจับโจรให้ได้ทหารหารก็ไปลอบจับโจรได้ทั้งหมดแล้วก็ให้บัณฑิตทั้งหลายพระสงฆ์ทั้งหลายญาติายยาจโยมทั้งหลายไปทำวัดสวดมนต์อยู่เหลวโรงช่างศึก เมตตากรุณาเป่เมตตาสัพเพสตัตตสัตตั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เจอเจ็บตายได้ยินไหมเราก็มาฝึกตัวเราว่ากันอย่างนี้เป่เมตตาทุกวันทุกวันในหลงช่างศึกนานช่วยกันทำดีต้องช่วยกันต้องจูงว่ต้องอ่อนน้อมถอนตนต้องเชื่อฟัง อย่าเป็นผู้ที่โตโสงโมโหให้มีเมตตากรุณาต่การตัางศึกประราชาได้ยินแต่เรื่องนี้กันหลายวันหลายเดือนตัางศึกประราชาก็เปลี่ยนนิจชัยมาเป็นช่างที่ดีกว่าเก่ามาทางไหนเห็นคนไปคนมาก้มกับใบหูนี่ที่อ่อนลองปบปบปบปบปบปบปบ่น้องทนทนขี่คอได้ มันก็หลงตามาจากใกล้วันมาที่ปาจินบุรีเากับข้าทางเขาใหญ่มาถึงเขาใหญ่ใีช่างพายตัวหนึ่งเดินอยู่วนโบมินเวียนอยู่กลางถนนแล้วมีรถคันหนึ่งอยู่ข้างหน้านอนแล้วช่างตัวนั้นก็เดินอยู่ข้างหลังรถก็มีพวกพหลังถ่ายภาพดูมันอยู่ มันหันหลังให้ช่างมันหน้าจะวิ่งหนีไปโน้นมันเปิดไฟท้ายแดงๆไว้ช่างมันก็เห็นไฟแดงๆมันเลยวนอยู่แล้ะมันไม่กล้าไปทําลายพอรถเราวิ่งไปเราไปจอดอยู่ก็ดูกักบเขารถคขา น, นังอยู่นหน้าช่างอยู่ตรงกลางลเราก็อยู่ตรงนีน้ช้างมันก็โกรธเรมันทําใบหูพึ่งมาม้วนมือวิ่งจะมาทุบรถ มาม้วนมือมาเว้นว่าบุ่มบุมมุมันจะมาทุบรถอะถึมในหู้วันก็ดูว่ามันโกดเราแล้วมันเป็นช่างดูรายแล้วแล้วก็บอกคนขอปศถอยหลังถอยหลังแล้วก็ถอยหลังแบบว่ายังตามไปอยู่เดินบุ่มบุมตามไปเว้นเขาก็ถอยหลังนี่ไปตามไปไกแล้วก็ไไปอะไรหยุดก้าวเคลื่อนมามันแสดงท่าทางที่ไม่ดี เหมือนคนใช่ไหมถ้าย่้มียมแจงใสเราด่ากันไม่ได้ดอกถ้าดูร้อยเราดูตาก็รู้มันก็ดูร้อยข่ากันได้ทำบายกันได้เพราะอะไรจริงแบบลม้มในที่สุดก็ปวนช่างก็มังกรทุนพระราชาหายพระยศแล้วช่างศึกก็เลยเป็นช่างศึกพระราชาต่อไป ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปะฏิสัุบุปบาทมันมีเหตุอย่างนี้ผู้ใดเห็นปะฏิสัุบุปบาทผูน้นเห็นธรรมชีวิตเรานี่ไม่ใช่ดูร้ายนะเป็นจิตที่บริสุทธิ์เมืเ่อเจอเดิมแต่อุบาจิเลตบรรจ orn มาเพราะชิ่งแหวนโลไม่ดีมันทําให้เป็นจรินิสัยได้เราจึงมาอาศัยในสถานที่ เพื่อนมิตรทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมให้กันแล้วการนี่คือปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่เราโกดธอยู่ดีเราจะไปโกรธไม่มีมันมีเหตุเพรยก่อนจึงโกรธมันมีเหตุแล้วจึงทุกข์มันมีเหตุเส้อก่อนจึงหลงมันมีเหตุจึงล้อจึงชังอย่าทำตามมันให้เห็นเหตุมันอะไรก็ตามเกิดที่เหตุนัน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 ที่สุดก็จเจริญตรงนี้ที่ว่ามิที่เห็นไม่เป็นอะไรกับอะไรอันนันหละมาสถฐานของการฝึกตนเองจึงมาเห็นอย่างนี้ขาถาปัจฉิพูดคำแรกที่สุดเลยเป็นพระบวชใหม่ในปัญจวิชีทั้งห้ากุปฏิสระสารีบวชไปเจอเข้าขอให้แสดงธรรมให้ฟัง อระบดีจาก็พูดว่าโ oh, อ้อาจฉิอาจฉิเขพูดว่าพูดเทศไปได้บวชใหม่ๆที่อสองสามบันมานี่อระบดีจาก็บอกให้นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรอาจฉิก็พูดกันว่าเยธรรมมายห้ต ap ุปปะปวาเต๋สังเหตุงตถาคตโต ส่วนจะยุนโรโทรจะเอวังมาทีมหาสมโนภาษาบาลีนะเื่อเอาหลักฐานจักหน่อยไม่ใช่พูดตัวเองพูดตามพระอาจาริแต่แปลเป็นภาษามาเราก็ทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดแต่เหตุแต่ดับก็ดับที่เหตุพระศาสราสำนักโคร่งอาจารย์ของเราสอนอย่างนี้เราก็รู้อย่างนี้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 ตามันหลงเราก็เปลี่ยนไปได้หลายอย่างต้นตอของ อ, อกุศลคือความหลงเห็นไหมมีเจ็บสภาพที่หลงสภาพที่รู้ตรงกันข้ามอยู่เราบอสประกาก็เห็นเรื่องนี้ทันทีไม่มีใครไม่เห็นเห็นสภาพที่รู้เห็นสภาพที่ลหลงเมื่อเห็นสองอย่างนี้เข้าไปมันก็จะผ่านไปได้ อันหลงที่ไหนก็รู้ไม่ใช่ไปแจ้ความหลงมากลับมาสร้างความรู้ต่างหากให้ความรู้จึกตัวเป็นเจ้าบ้านเจ้าเหือนเอาไว้ก่อนเหมือนผลช่างฝึกช้างถ้ามันผิดก็ไม่เอาเขบอกให้ให้มันทําถูกแล้วมันทําถูกก็บอกว่เออเออเหมือนฝึกวัวเทียมเกลียน ถูกขวยเทียมคาดทาคเทียมถา่ายคนพิษผกขวยเทียมทาตก็มีคําพูดก่อนไปทางซ้ายเกินไปก็บอกให้ไปขัขว้ขวขั้วขั้วให้มาได้ยินสองคำนี้ตั้งไปทางขั้วมากก็บอกวันซ้ายซ้าย ต, ต้งไปตรงก็บอกว่าเออไปไปไป วัยแท้ๆมันทำไมรู้จักกวาซ้ายขวาเพราะมันบอกสองคำเท่านี้แล้วมันหันยังไงมันจึงรู้มันไปตรงมันก็มีมีรอยถ่ายมีรอยถ่ายไหนน้ำมันเหยียบรอยถ่ายกับเหยียบที่ไม่ใช่รอยถ่ายมันก็รู้มันสัมผัสทั้งได้ยินคนเผิกมันพูดทั้งได้ยินทั้งได้เหยียบสัมผัสกับ ลอยไถ่แบบที่ไม่ใช่ร้อยไถ่ถ้ามันเหยียบร้อยไถ่อยู่แสดงว่ามันไปถูกแล้วก็ไปบางทีเขาหยุดพูดได้บอกมันายไ ป, ไปเรื่อยไปไหวแท้ๆยังฝึกได้แมนบอกพอถ้ายากโคยไหอ่ะคยฝึกค่ยใช่ไถ่บอกถ้าเห็นอย่างนี้เราที่ก็บอกตัวเราถ้ามันหลงก็รู้ ไม่มีใครสอนเราได้เรื่องนน้เราเพิกควายเอาไปใช้งานฝึกช้างเอาไปใช้งานแต่การเพกเราก็ไปใช้ให้เป็นที่ดับทุกคนทุกมันเป็นอย่างนี้พ้นหลงนี่แหละมีแต่สภาพที่หลงมีแต่สภาพที่รู้เห็นไหมขี้น้อยเหินทุกคนไหมควอมหลงหรือไม่เห็นเลยล่ะฮะ ถ้าเคยเห็นความหลงยกมือขึ้นดูสิเห็นว่าอันเดียวกันหลงก็อันเดียวกันไม่ใช่หลงก่อนล้อย่างอันชื่อว่าความหลงกันเดียวกันหมดเลยพระก็หลงโยงก็หลงไม่ชีก็หลงชาติใดภาษาใดอายุปานใดวัยใดหลงเหมือนกันหมดเลยความรู้ก็เหมือนกันหมดเลยเนี่ย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 เอามือวางไว้บนเขาก็รู้ทันทีพลิกมือขึ้นก็รู้ทันทีเอามือไป ม, มาๆก็รู้ทันทีถ้ามันหลงที่ใดก็รู้มาหาตัวรู้อย่าไปแย่ความหลงมาสร้างความรู้ประกอบความรู้ความรู้ก็ไม่ไปขอใครอยู่กับเรานี่เองศูนย์แห่งงม <laughs> สีหลงศูนย์ในคนที่หลงน่ะ ทำไมมันหลงเนี่ยตั้งๆที่ไม่หลงก็มีทำไมไม่ใช่ร้องต่อไปด่าน้องอันเห็นคนอดอยากทุวันนี่เฮ้ยสนให้ล่ะทำไมมาอดอยากมาก็ดีที่สุดเลยทำไมผักทาไมไปซื้อกินโ อ, อกได้นะซื้อผักมากองแค่นี้หาบาทมาอวดกันซื้อผัก ได้กมหยิบน้อยๆเนี่ยไปอวด ก, กันห้าบาทนะสมนําหน้ามันทําไมไ ม, ม่กินทําไมไม่ทํากินมือมีอยู่ทําไมไม่ปลูกกินทําไมไม่ทํากินทําไมไปซื้อกินมันหน้าจะไม่จนนะชีวิตของคนเราทาไมจึงยากจนกันอะไรเป็นเหตุให้ยากจนหนึ่งเหลอเกียรติขั้นทำางาน สองละอ บ, บายามุกเล่นการพนันสามละนักเลงสุราสี่นักเลงผู้หญกนักเลงชายเที่ยวกลางคืนเอาเวลาสายจํางไปเล่นไปเที่ยวไม่ประกอบการนานก็ต้องยากจนแน่นอนคนเราเนี่ยนี่มันทำได้จริงๆลิขิตชีวิตเราได้ในมือหนิวยสิบ เ, เนี่ยวเนี่ย เอาใจเอาใจเนี่ยมาทาทาดีก็ได้ละความชั่วก็ละได้เด็ดขาดทาความดีก็ทาได้เด็ดขาดหัดตน่อเวลามันหลงรู้สมลาหน้าความหลงล้วสมลาหน้าจริงๆนะขยันตรงนี้เลือเกินเวลามันหลงในขยันยิ้มหัวเราะความหลงมันมีอยู่คนไม่หลงเวลามันโกรธมันไม่อยู่คนไม่โกรธเนี่ย แต่เราทาุกไม่ยู่ความไม่ทุกเนี่ยจะเอาอย่างไเพวกเรานะแค่นี้เองจะทำไม่ได้เลยความทุกมันก็ไม่ได้มีสตาวุ่อะไรกิเลสตนาไม่มีสตาวุ่อะไรมันเือจากใจเราเนาจกจากความหลงน่ความหลงเนี่ยเหมือนนิ้วมือสามนิ้วดูดูเห็นไหมอะไรเนี่ยนี้สามนิ้วใช่ไหมความหลงคือเนี่ยนเนี่ยเนี่ยตัวร้ายมัน ตัวเนี่ตัวหลงอยู่กลางๆถ้าหลงก็โกรธได้ถ้าหลงก็โอบได้ทุกได้ถ้าหลงก็ไปได้หลายอย่างถ้าไม่หลงไม่มีเล น, นตัวโกรธตัวทุกข์จะไม่มีเลยไม่มีแลยมันเกิดจากตัวนี้อ่านี่ยตัวโผล่มาแล้วตัวหลงเนี่ยกับตัวรู้เนี่ยรู้เนี่ยอยู่ในเดียวกันเอาตัวหลงแหละเป็นรู้มันเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือไง เปลี่ยนอย่างนี้เราปฏิบัติเดีด๋ยวหัดตนสอนตน